9. มหา ล, ละกะวิหาระสิกขาบท 72. ถามทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้ดำเนินการมุงหลังขาสองถึงสชั้นแล้วดำเนินการเกินกว่านั้นณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัตินกรุงโกสัมพีถามทรงปรารบไครตอบทรงปรารบท่านพระชนะ ถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ท่านพระฉันนะให้มุงให้ฉาบทาวิหารที่สร้างเสร็จแล้วหลายๆายครั้งวิหารมีน้าหนักมากจึงพังลงมาในมหันละกะวิหาระศิกขาบทนี้มีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานหสมุดฐาน